อ่ะเราก็ <c oughs> นั่งปฏิบัติกันต่อวันนี้มีกลุ่มสาหุ ส, หสึก ข, ของจังหวัดโคราชเขามาร่วมอีประมาณ30ชีวิตอ่ะนะกเพิ่งมาวันแรกก็ลองก็เมองตาเรีวๆตาตามไปตอนนี้นะหนังสือธรรมวัตรถือว่าจบแล้วก็ปิดวางไว้ข้ขางๆเราก็ตั้งใจมาทำกิจ จการร่วมกันอีกสักครึ่งชั่วโมงคือนั่งฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันไปด้วยการฟังธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันกลับมาหาตัวเองในสาร่างคําพูดอันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คืออาจจะเคลื่อนไหวรู้สึกไปด้วยบางทีฟังเราอาจจะฟังภาษามันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเราก็ใช้ตัวปฏิบัติสัมผัสรู้สึกที่กายนะ มันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมนะเราจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าปล่อยให้ใจมันลอยไปนะคิดนะหรือว่าวิตกขงังวนนะหรือว่าไปแยกแยะนะพิจารณาอะไรให้มันมากมายไปกว่านี้ตอนนี้นะมันไม่ใช่แค่นะกิจกรรมที่วัดป่าสุก โ, โตเท่านั้นขระดานี้นะเรามีวัดพี่วัดน้องเช่นตอนนี้ภูเขาทอง ก็มีการปฏิบัติธรรมกันอยู่ในสายงานประจําปีเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จนะก็จะไปต่อที่จตุรัสนะวัดป่าอากาลิ โ, โกนี่นะประจําปีในสายงานก็เจ็ดวันเจ็วันเจ็ดวัน7วันเวีย น, น, น, นทุกวัดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะั่นนะที่เป็นสายงานฏิบัติแบบแนวหลวงปู่เทียนที่ตกลงร่วมกันก็จะเวียนกันปฏิบัติครูบาอาจารย์กไ็ไปสอนปฏิบัติกัน แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดพูหลงตอนนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มของทางหอจดหมายเหตุอาจารย์เพื่อท่าที่กรุงเทพนะก็อาจารย์นอตันก็นไปดูอยู่ตรงนั้นก็กระจายกระจายกันไปบนหลังเขานะแล้วก็อีกหลายที่หลายทางเนี่ย น, นะมันก็ถือว่าเป็นยุคแล้วแะเป็นยุคที่คนหันมาสนใจธรรมะแล้ววัดก็โตขึ้นโตขึ้น ต, ข, นต ข, น ข, นขึ้นขยายขึ้น การลองเล่ากันเ็นกันมากขึ้นก็ใช้ใช้พื้นที่กันอย่างแบบระมัดระวังเต็มที่แล้วเพื่อเหมาะสมกับบุคคลที่มาแล้วเกิดความสะดวกตามสมควรมีที่หับมีที่นอนมีที่ขับถ่ายแล้วที่กบฉันอย่างนี้นะรวทั้งที่ปฏิบัติอันนี้สาคัญที่ปฏิบัติอาจจะเป็นลานหินโค้งขยายเพราะว่ามันเป็นความต้องการของญาติของโยมพื้นที่ราดเอียงบ้างเราปรับให้มัน พอดีพอดีนะสำหรับผู้ใหม่อ่ อ, อนๆอ น, นี่ก็เหมาะเงี้ น, นะพอเข้มแข็งดีแล้วก็ตรงไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มันเป็นความรู้สึกตัวที่สามารถจะกลับมารู้ได้ทันควันมีอาจารย์สมใจก็ถือว่าน่าสนใจในคำพูดคำบอกคำสอนนะแล้วก็พูดอะไรมันมันตรงไปตรงมาดี ไม่ต้องมีลูกหาลูกรอดลูกชนอะไรมากมายก็ชี้กันไปในแง่ของเหตุผลทำไมต้องปฏิบัติธรรมและอีกอย่างก็คือเรื่องหนาที่เคยเห็นตัวจริงของหลวงปู่เทียนเคยสัมผัสมาแล้วก็มักคุณกับหลวงพ่องเขียนนะที่ว่ามักคุณก็คือชอบพอกันในแง่ของการศึกษาธรรมะแล้วก็น้อมรับเอาสิ่งที่หลวงพ่อท่าน ชี้ท่านนำนะมาทำจะ ก, กระรังนะตัวเองก็เห็นผลว่ามันสามารถดับทุกข์ได้จริงนะด้านเย็นเนี้ยนะลองพูดให้สาธุสุขกลุ่มใหม่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะก็กราบในมนเลยครับสักประมาณยี่สิบห้านาทีใ น, ะนมลครับ กราบบูชาพระรตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกขราบครวะพระอาจารย์ยุ ก, กิพระอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์ฉัดชัยพระเถระเพื่อนสาธมิกขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะก็นั่งตามสบายเนาะ ก็นั่งสร้างจังหวะไปด้วยก็ได้นะก็ถือว่าเราปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันนะ <c oughs> จริงๆวันนี้เนี่ยนะนะจะเริ่มต้นนะกับคนเริ่มใหม่แต่คนเก่านะก็จะมีด้วยนะจริงๆสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยนะมัน มันเริ่มต้นแล้วก็มีท่ามกลางแล้วก็มีที่สุดนะโดวยเฉพาะยิ่งคนที่มาใหม่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการปฏิบัตินะที่มายกไม้ยกมือมาเดินจงกรมกันนะเพราะเราจะคุ้นเคยกับการนั่งสมาธินะหลับตานิ่งๆให้มันสงบ นะวันนี้ก็มีโยมคนหนึ่งนะนั่งสับงกเลยอานะตมาเข้าไปทักบอกเอาโยมหลับแล้วเขาบอกก็ไม่ได้หลับก็นั่งสมาธินะเออเราก็ว่าเออสมาธิสมาธิาธนะอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดนะคนใดเข้าใจผิดเยอะมากมาปฏิบัติตามก็บอกมานั่งสับงบนี่แหละอานะนะตมาก็เคยเป็นมานะสมัยไปเรียนรู้ใหม่ๆก็เนี้ย สมาธิตอนแรกๆมันก็นั่งนิ่งๆดีหรอนะนั่งไปนั่งตามันก็สงบสงบแล้วสติเรามไม่ชัดเนะ่ยเราก็คิดว่าเรามีสมาธิที่ไหนได้ให้ความง่วงมังนเอากินหมดนั่นแหละเพราฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยเราไม่นั่งหลับตาเราลืมตาเราให้มันมีการตื่นตัวนะเป็นความสงบที่ตื่นรู้ไม่ใช่ความสงบที่นิ่ง นะการมันนิ่งไงที่นี่คือนิ่งแบบไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ตื่นรู้อะ่ะเป็นสงบแบบขี้เกียจที่ค้านะอนะพูดง่ายๆเลยตรงไปตรงมาเลยนะคนที่สงบแบบนิ่งๆแบบนั้นเนี่ยจะชอบไม่มีเสียงบรบกวนนะเสียงอะไรมาบรบกวนนิดหน่อยไม่ได้นะนะอยากจะอยู่ที่เงียบๆนะแล้วก็นั่งให้มันนิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรไปกดความคิดมันเองนะคนประเภทนี้ นะก็จะ อ, อ, อินรีเนี่ยหมายถึงว่าการที่จ ะ, ะเผชิญกับอารมณ์เนี่ยจะไม่เคยมีนะมันมีกำลังน้อยคือไปมุ่งที่ว่าจะให้เป็นสมาธิแต่ก็เจอว่าสมาธิก็คือนิ่งจริงๆสมาธิคือใจตั้งมัน่นใจตั้งมั่นพร้อมที่จะรู้นะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราในกายในใจของเราแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ามีจิตตั้งมั่นพร้อมที่จะรู้เรื่องต่างๆนะเพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้นะ เ, เรื่องของชีวิตที่นี่เนี่ยเราจะไม่เน้นการนั่งหลับตาไม่จะเน้นไม่ได้เน้นการสงบแบบนิ่งๆนะแต่เราจะตื่นรู้ตื่นรู้ในที่นี้ไม่ใช่ตื่นเต้น ไม่ใช่ตื่นตูมนะแต่ให้ตื่นรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจกายใจเนี่ยเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะที่เราจะได้เรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มที่ฝึกมาวันนี้เกือบวันสุดท้ายแล้วละ่ะนะสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือความทุกข์ใช่ไหมกายมันทุกข์มันหนักมันอึดมันปวดมันเมื่อยมันเบื่อมันง่วง มันทำมนไปส่งผลในะทั้งกายทั้งใจ ứng, เรามาทรามานตัวเองหรือเปล่าเนี่ยใน <c oughs> บางคนก็นอนอยู่ที่บ้านดีๆไม่ชอบนะอยู่ที่บ้านก็สบายดีมาทําอย่างนี้ทรามานตัวเองหรือเปล่าคิดไปแล้วนะตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยนะความทุกข์เข้ามาแสดงให้เราดูแต่ก่อนเนี้ยเราไม่ได้ฝึกเราก็จะจมอยู่ในอาการทุกข์เหล่านี้นะตัวอย่างง่ายๆเช่น มันปวดมันเมื่อยเนี่ยหงุดหงิดไหมหงุดหงิดใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ฝึกเป็นแล้วเนี่ยเขาจะรู้ทันเลยอ๋อมันปวดมันเมื่อยมันก็เป็นอาการของร่างกายนะที่มันนั่งนานนามันก็ปวดก็เมื่อยนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีๆเนี่ยเราเจฉนเลยว่าใจเราปกติได้มันปวดมันเมื่อยแต่มันไม่หงุดหงิดก็ได้นะตรงนี้มันเฉกกายใจมันแยกกันได้นะเรื่องเช่นเราหิว นะเรามาวันนี้เป็นวันแรกไม่ได้กินข้าวเดินเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มศูนย์ควบคุมโรคโคลาดเนี่ยนะถ้าจะหิวนะวันนี้อาจจะฝันฝันว่าได้ไปกินน้ํากินนี่นะเออนะเนี่ยอันนี้มันจินตนาการไปความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันสร้างเรื่องสร้างราวจากร่างกายที่หิวร่างการที่ปวดเมื่อยนะมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยถ้าเราไม่ได้ฝึก นะมันก็จะหลงนะไปในอารมณ์นะในความปวดความเมื่อยนะในความคิดลงแต่งเพราะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่สุขๆทุ ก, ท, กทุกอะ่ะพอเวลาสุขเราก็ดีใจเวลาเราทุกเราก็ห่อเหยียวใชนะ่แต่ถ้าเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะเราเห็นว่าสุขทุกมันก็เป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้น เมื่อมันมีสิ่ ง, งต่างๆเข้ามาประจบเหมาะเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วมันมีอีกอันนึงถ้าเราสังเกตดีๆไม่สุขไม่ทุกข์อย่างที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้นะถ้าเรานั่งเฉยๆใจเราเป็นปกติถามว่าสุขไหมก็ไม่สุขทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์โกรธไหมก็ไม่โกรธนะมันเป็นใจปกติเป็นพื้นฐานนะของชีวิตนะที่ทำให้เรา มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ทําให้เราไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทนะอันนี้มันช่วยคุ้มรองเราแต่จิตที่เป็นปกติเนี่ยมันมันมีลักษณะพื้นพื้ น, นธรรมดาธรรมดามากเราก็เลยไม่ใครสนใจเหมือนน้ําเปล่าอ่ะเราไม่ใคยสนใจอ่ะเราสนใจน้ําชาเขียวบ้างน้ำํำหวานบ้าง น, น้ํานู่นน้านี่บ้างใช่ไหม แต่จริงๆมันขาดไม่ได้นะน้ำเปล่าน้ำจืดเนี่ยเหมือนใจปกติมันก็ขาดไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่รักษาให้เรามีความเป็นปกติอยู่นะทีนี้จริงๆโดยพื้นฐานจิตใจมันจะปกติที่มันไม่ปกติเพราะอะไรเพราะเราเผลอเราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะเราไปค้นกับความสุขความทุกข์ นะฮพอสุขก็อยากให้อยู่นานๆพอทุกข์ก็อยากถีบไปไกลๆอ่ะพูดง่ายๆเลยนะแต่มันก็แปลงนะทุกข์เนี่ยมันมันชอบมาต่อแย่เราอะมันไม่ไปทักทีอะ่ะวันเนี้ยหลายคนฝึกก็คงจะเห็นนะนะโอ้มันทุกข์ขนาดหนักเลยนะมันก็ไม่ยอมไปทักทีเช่นความง่วงความเบือ่อนะวันนี้จริงๆกลุ่มเก่าเนี่ยนะนะวันนี้เราให้เป็นตัวของตัวเองเลยนะเป็นผู้ใหญ่เลยนะ แต่ก็มีบางกลุ่มนะยังเป็นเด็กอยู่ยังคุยกันอยู่ยังไปชวนคนนั้นคนนี้คุยอยู่ตัวเองไม่ทาแล้วยังไปชวนคนอื่นไม่ทาทำบาปซ้อนเลยนะเนี่ยเป็นบาปใหญ่เลยนะเนี่ยหนึ่งบาปที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็ไปพูดไปคุยความคิดปรุงแต่งสองไปชวนเพื่อนคุยสร้างบาปที่สองเพื่อนก็คุยกันใหญ่เลยสามไปรบกวนเพื่อนข้างๆอีกนะ ถ้าคนที่มีอินซีแก่ก้าเขาก็จะไม่ไม่อะไรแต่คนอินซีอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องเอมันคุยกันเรื่องอะไรนะความคิดปรุงแต่งเพระฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครไปชวนเพื่อนคุยเนี่ยบาปหนักนะบอกซะก่อนบาปคือความไม่รู้ตัวความเผลอสติมันหลุดไปแล้วนะวันนี้ก็เลยเอาสามสี่คนเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ตอนนึงกลับมาที่หน้าที่หอไตร นายเห็นคุยยันเสียงดังเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยเข้าใจว่าแต่ละคนตั้งใจนะที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราคนที่ศรัทธามาเนี่ยจะรู้เป้าหมายชัดเจนแต่คนที่ไม่ศรัทธามาโดนเขาบังคับมาเนี่ยอึดอัดหน่อยนะแต่ไหนมาแล้วก็ตกกระไดพลอยกระโจนนะอย่าใช้เวลาให้เสียเปล่านาไปกับเรื่องอื่น โดยเฉพาการพูดการคุยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปมันก็นได้คุยนะเพราะนั้นตรงนี้นะให้เราดูอะไรมันชวนให้เราไปคุยความคิดปรุงแต่งใช่ไหมมันอึดอัดใช่ไหมนะอันนี้เราจะคุ้นเคยกับการที่เราต้องไปหาวัตถุภายนอกนาะมากรบเกลื่อนทุกนะกลบเกลื่อนความอึดอัดนะจริงๆเนี่ยเราไม่กล้าที่จะไปะเชิญกับมันไม่กล้าที่จ ะ, ะชิญกับทุก เพราะนั้นถ้าเราเจอทุกข์เราไม่ทำไปกลัวเรียนรู้เข้าไปเขามาแสดงตัวให้เราดูแล้วเราดูที่มันเกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเราไม่รู้เท่าทันอาการของกายของใจที่เขาแสดงตัวออกมานะมันก็ทำให้เราเกิดความ <c oughs> อึดอัดนะหรือบางทีก็ททำให้เราเกิดความที่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ นะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าเราสังเกตเพราะฉะนั้นความทุกเนี่ยนะเป็นสิ่งดีอริยสัจ4ี่ข้อแรกจึงบอกว่าให้รู้ทุกปฏิบัติธรรมไม่ไช่ว่ารู้สุขก่อนนะรู้ทุกพอรู้ทุกแล้วเนี่ยมันจะหาเหตุแห่งทุกว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันจะทำให้เราหาทางออกได้มัะ น, นั้นทุกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้ทุกอะไรบ้างอนะ่ะ ทุกกายใช่ไหมความปวดความเมื่อยความที่มันนั่งอยู่ในท่าเดียวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอิริยบาบถนี่เป็นทุกทุกทุกที่มันเกิดขึ้ น, นถ้าเป็นทุกทางกายเราก็เปลี่ยนดัดแปลงแก้ไขได้และทุกอีกการนึงก็คือทุกไม่รู้เท่าทัานความคิดนี่แหละที่มันคิดปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตหรือบางทีเรื่องเล็กนิดเดียว นะแต่ไปคิดซะใหญ่โตเลยนะเช่นโอ้พึ่งพ่งมันมาบินว่อนว่นเดี๋ยวมันจะมากัดเราหรือเปล่ามันจะมาต่อยเราหรือเปล่าคิดปรงแต่งอะไรต่างๆนานานะใช่ไหมหรือบางทีอากาศมันร้อนนะหนุบหนือขึ้นมานะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางทีเป็นเป็นไข้เล็กๆน้อยๆแต่โอ้โหมันคิดไปใหญ่โตแล้วโอ้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะอันเรียความคิดปรงแต่งนาะทีก็จะทําเรื่องเล็กให้มันเรื่องใหญ่ เราะเราไม่รู้เท่าทันนั่นเองเพราะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยก็เพื่อให้รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนี้เองนาที่เป็นสมุดฐานหรเป็นต้นเหตุนาที่ทําให้เราทุกข์นาโเฉพาะทุกข์ทางใจนาทุกข์ทางใจเนี่ยความเบื่อความเซงความเหงาความอึดอัดลาคาญอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาจะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมาเรียนรู้ที่กายที่ใจนะโดยเริ่มต้นนะสำหรับคุณเริ่มต้นใหม่เลยนะยิ่งคนเก่าก็ดีละนะให้มารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจใจิตใจอะไรอย่างนั้นอย่ายยไม่ต้องไปสนใจเพราะมันไม่มีตัวมีตนนะ เราจะใช้สิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้เรามีอยู่แล้วโดยโดยพื้นฐานมาเป็นสติสา ม, มัญ น, นะที่เรามีชีวิตอยู่ได้เราทำงานเนี่ยก็ใช้สติสา ม, มัญ น, นี้แต่สติสา ม, มัญ น, นี้ยังไม่รู้เท่าทันกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดจาเป็นที่เราจะต้องปร ก, กระตุ้นให้มันฉับไวขึ้น เพราะนั้นการที่มายกม้ยกมือเนี่ยก็คือเราจะมาปลุกความรู้สึกตัวที่มีแล้วให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นให้มันเท่าทันกับความคิดปรุงแต่งให้มันเท่าทันกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เนี่ยนาเป็นสิ่งที่ท้าทายท้าทายพวกเราทุกคนแต่ก่อนเนี่ยเรามีชีวิตโดนความคิดมันลากพาไปให้เราสุขให้เราทุกข์ เราอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เราอยู่ใต้อำนาจของความเื่องพอเราเงื่องมาเลยก็ไปนอนทันทีแต่มาถึงที่นี่ไม่นอนเื่องก็หาวิธีแก้นะเดินให้มันเร็วขึ้นสร้างจังหวะให้มันเร็วขึ้นเดินหน้าถอยหลังนะแก้มันนะวันนี้มีโยคนมาบอกอาจารย์เมื่อคืนนอนไม่ขยหลับเลยตื่นตื่นเร็วมาเดินจงกลมเมื่องมาก บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคืนนี้ค่นอนนะตอนนี้ลุยกับมันไปก่อนนะสู้กับมันไปนะคือเราเราจะคล้ายๆแตะเอาใจอ่ะเอาใจว่ามันมีเหตุผลนหะว่าเออคุณจะนอนอะไรอย่างเงี้ยนะไอเนี่ยมันมันโดนหลอกอะนะความคิดปรุงแต่งมันหลอกเอาไม่ทันมันนะเล่เหลี่ยมของความคิดปรุงแต่งถ้าความรู้สึกตัวเราไม่คมชัดเนี่ยนะมันไม่ทันเลยนะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเริเ่มต้นที่รู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหว ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆขยันทําโดยเฉพาะในรูปแบบการยกมายกมือสิบสี่จังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีขยันทํานขยันขยันที่จะรู้สึกตัวเจตนาลงไปแรกๆเนี่ยมันอาจจะเพ่งไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะจะก่อนเราเผลอไปเยอะเจตนาเพ่งลงไปเลยนะเพ่งที่คำว่าเพ่งเลยที่นี่หมายถึงเจตนานะ เจตนาที่จะรู้สึกตัวทีนี้พอเจตนาเปา็นมากๆามันหนักเออหนักเราก็ต้องปล่อยออกไปบางทีมันมันเพ่งเข้าไปข้างในอะ่ะมันจะงุ่มงๆซึมๆมําหนักใช่ไหมอ่ะปล่อยออกไปมองออกไปข้างนอกบ้างปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างนะให้มันเบาๆหน่อยพอปล่อยอารมณ์ไปข้า ง, างนอกเมันเพลใช่ไหมเอาเดินเข้ามาข้างในอีกนะเดินอะไรหนกักเอาปล่อยออกไปอีกนี่มันเป็นศิลปะที่เราจะต้องรู้จักการปรับนะสำหรับคนที่ฝึกปฏิบัติตรงนี้ อันนี้เป็นประสบะการณ์ที่ตัวก็ผมด้วตามาเองสมัยไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนนะเราก็ตั้งใจใจใมันรู้ตลอดเวลาเลยนะก็หนักบางทีไปเพ่งไปจ้องยาวให้ได้นะเจอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนบอกเป็นไงบ้างเออคุณสมัยก่อนหลวงพ่อเทียนเรียกคุณสุขใจไม่ได้คุณสมสมใจหนะนะโอ้หลวงพ่อหมุนหัวเลยอ่ะมันหนักอ่ะหลวงพ่อบอกนเะนี่ย คุณไปเพ่งมนะันอะไม่ไปเพ่งผมไม่ได้เพ่งเออบอกตัวเองยังไม่รู้เลยนะหลวงพ่ อ, อยังรู้ลหลวงพอดูกันรู้อให้ทําไงหลวงพ่อปล่อยมันออกไปบ้างนะอย่าไปเพ่งมันข้างในปล่อยออกไปบ้างนะให้มันให้มันคลายออกไปอะไรจะปล่อยอยังไงมองท้องฟ้าออกไปลุงโลกมองใบไม้ออกไปนะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้อารมณ์ของเรานะถ้าเราหนักเราเราเพ่งเกินไปนะ อีกอันหนึ่งก็คือมันฟุ้งซ่านไอ้ความคิดเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยเรียนมาเรียนให้คิดเน่ยใช่ไหมระบบการศึกษาตะวันตกเรียนให้คิดคิดหนึ่งคิดนี่คิดจกคิดจะคิดต่างๆมันเติดเนื้สายมาพอมันคิดฟุ้งซ่านแล้วทําไงอ่ะไม่ต้องไปสนใจมันจะคิดคิดไปแต่เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะ ไม่ให้ราคาเลยไม่้น้ำหนักเลยจะคิดเรื่องแล้วคิดไปแต่ก่อนเราไม่ได้มาฝึกเนี่ยพอมันคิดอะไรมันก็จะตามความคิดไปในชะ่ไหมตามไปเรื่อยสมัยก่อนอาตมาไปฝึกใหม่ๆเนี่ยอตาตมาก็ไม่เข้าใจไปอ่านหนังสือหลายเล่มเขาบอกวิ ป, ปัสสนาก็คือการดูความคิดตามความคิดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงนะก็ไปดูความคิดเอมันคิดเรื่องที่1ขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงเรื่องที่2เกิดขึ้นตั้งอยู่ มื่นเลยอันนี้มาเจอหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านบอกโอ้อย่าไปอย่าไปสนใจความคิดอย่าไปอย่าไปสนใจให้กลับมารู้สึกตัวที่กายก่อนนะมาตรงนี้ก่อนความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจตรงถ้าเราไม่สนใจความคิดเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นการหัดปล่อยหัดวางไปโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปบอกเราเป่อวางความคิดนะเราจิตว่างนะไม่ต้องไปบอกเลยสติเพราะว่าใจเราเนี่ย มันจะรับรู้ได้อารมณ์เดียวถ้าเราถ้าความคิดมันเข้ามาในใจความรู้สึกตัวไม่มีแต่ถ้าความรู้สึกตัวมีความคิดไม่มีมันจะเป็นเป็นอย่างเดียวมันมันรับได้อันเดียวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราให้น้าหนักไปเลยตรงที่ความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวยกมือสร้างจังหวะสบสี่จังหวะเนี่ยซึ่งวิธีการนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านประยุกมาจากวิธีการฝึกกรรมฐานของ พระเมืองลาวพระกรรมฐานเมืองลาวซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกวิธีตียนิ่งตียงคือไหวนิ่งก็คือนิ่งเพราะฉะนั้นการยกมือเนี่ยนะให้มีการเคลื่อนการหยุดอย่าไปทำแบบอัตโนมัตินะเห็นมีหลายคนโอ้โหยกใหญ่เลยยกใหญ่เลยแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็ตาก็เลยลอยฟรีไปแล้ววันนี้ทำงานไม่ได้ตังแล้วไม่ไดสติแล้วนะเพราะฉะนั้นยกเนี่ยเจตนาที่จะ <c oughs> รู้สึก พลิกก็รู้สึกเคลื่อนก็นรู้สึกยกก็รู้สึกแรกแรกเนี่ยใส่เจตนาไปเลยให้มันจะรู้สึกแต่ความรู้สึกนี้อย่าไปรู้สึกแบบต่อเป็นเส้นเลยนะรู้เป็นจุดรู้บังเผยบังรู้บังเผยบ้างแต่รู้ให้มากกว่าเผอนะรู้บันะงเผยบ้างให้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ความสมดุลเนี่ยมันจะต้องสังเกตเอาเองนะ มันมึ น, ม, นมากๆครัปล่อยออกไปข้างนอกบ้างแต่มันฟุ้งซ่านกับกลับมาข้างในบ้างอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตร่างกายเราเนี่ยมันซื่อตรงมากเลยนะมันปวดมันก็บอกปวดมันเมื่อยมันก็บอกเมื่อยมันหนักมันก็บอกหนักให้เราสังเกตสัญญาณให้ดีแล้วก็หาทางแก้นะเราไม่ต้องไปถามใครมากหรอกนะให้เราสังเกตเพราะฉะนั้นการเรียนผิดเรียนถูกจะเป็นอาจารย์ที่สําคัญเป็นครูที่สําคัญของเรา เมื่อเรารู้กายทํากายบ่อยๆทําความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวให้มันรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าไปรู้สิ่งที่เราเรียกว่าสุขทุกไม่สุขไม่ทุกงานภาษาบาลีก็เรียกเวทนาภาษาอังกฤษเรียกว่า feeling feeling นะไม่ใช่เวทนาคือสงสารนะ่าสงสา ร, ส, ส, ารสิ่งนี้เป็นนามธรรมาเราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้จากความปวดความไม่เรารู้สึกโอ้โหมันทุกมากนะ จิตมันก็คิดปรุงแต่งนะแล้วมันก็จะเห็นความคิดปรุงแต่งความคิดที่มันแสดงตัวออกมาคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตหรือว่าวาดฝันไปในเรื่องต่างๆแลนะบางทีทําไปทํามาเนี่ยนะส่วนใหญ่นะนยยนะแรกๆเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่ที่ไม่เคยดีอะ่ะมันจะโผล่มาก่อนนะพมันเป็นความคิดแบบห ย, ยาบๆ นะที่เราทําอะไรไม่ดีไม่ดีมันจะผุดผุดขึ้นมานะแล้วพอทําไปทําไปมันจะเป็นความคิดดีๆขึ้นมาความคิดเป็นเรื่องกุศลโอ้โหดีจังเลยมาฝึกสติจเจริญสติตัวเบาเดี๋ยวกลับไปต้องไปชวนเพื่อนมาไปชวนญาติคนนูน้นคนนี้มาหรือบางทีวางโครงการเลยจะไปเผยแพร่ธรรมะนะเดี๋ยวจะไปชวนคนนูน้นคนนี้มาปฏิบัติไอเนี่ยมันความคิดเหมือนกันนะเป็นความคิดที่ ท, ที่ที่มันที่เราไม่รู้เท่าทัน เพราะนั้นยิ่งคิดมากก็ยิ่งรู้มากยิ่งคิดลึกมันก็ยิ่งรู้ลึกสติเนี่ยมันจะปรับตัวได้ทันกับความคิดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปอะไรล่ะอย่าไปวิตกกังวล น, นะโอ้โ oh, หทําไมเราคิดเยอะจังเลยเราอยู่บ้านเราไม่เคยคิดขนาดนี้เลยใช่มจริงจริงไมมว่าคิดขนาดนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้สนใจไงเพราะเราไปทํางานข้างนอก เราไปสนใจกับสิ่งอื่นนะเราไม่ได้กลับมาดูตัวเราเองจริงๆความคิดมันมีตลอด <c oughs> ก็มีบางช่วงอาจจะหยุดไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ที่เรามาที่นี่เนี่ยเราตัดสิ่งปรุงแต่งข้างนอกแล้วมาดูมันตรงๆเลยสภาพแวดล้อที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันซื่อตรงๆไปตรงมามันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติพื้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีอในใจมันจะผดขึ้นมาให้เราเห็น เหนะมือนเขาไปขุดน้ําเนี่ย <c oughs> น้ําแรกที่ได้ขึ้นมาน้ําบาดาลเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่สดปกนะขุดลงไปน้ําก็จะใสขึ้นใสขึ้นเหมือนกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยที่มันเป็นเรื่องไร้ายๆแล้วมันฝังใจเราเราลืมไปแล้วนะแต่มันจะผุดขึ้นมาการผุดขึ้นมาเนี่ยดีนะเป็นเรื่องการชําระล้างจิตใจของเราชําระล้างขยะที่มันอยู่ในหัวของเราให้มันออกไปนะ อันนี้เขาเรียกว่าการสําลอกนะสําลอกสิ่งที่มันเป็นขยะหมักหน ม, มอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกได้ถูกต้องนะได้ต่อเนื่องเนี่ยกลับไปในหัวเบาเลยนะตอนเนี้บางคนอาจจะหัวเบาแล้วก็ได้นะแต่คนมาใหม่ๆนี่โดยเฉพาะกลุ่มโคลาเมนหนักหน่อยนะเพราะว่ามาแค่สามวันพวกนี้เนี่ยหรือวันเดียวมีเวลาวันเดียวเต็มที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะ เริ่มต้นที่กายไปเห็นเวทนาไปเห็นจิตนะจิตก็คือความคิดปรุงแต่งนะแล้สุดท้ายก็คือจะไปเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆนะธรรมชาติของสิ่งต่างที่เราเรียกว่าธรรมะนะมันจะมีออกมาหลายหลายอย่างเช่นนิวรธรรมนิวรณธรรมเนี่ยคนที่ฝึกไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่เจอเหมือนกัน ความง่วงความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความสงสัยลังเลนะสิ่งต่างๆเลนะี่ยมันจะผุดขึ้นมาทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้สึกตัวได้มันเป็นเาเรียกว่าเป็นสิ่งขวางกั้นนะภาษาบาเลีเขาเรียกว่านิวรณเพราะนั้นเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆ อย่าไปสนใจมันอย่าไปให้ราคามันเลยอย่าไปเชื่อมันเลยมันชวนให้ง่วงก็ง่วงไปเราก็จะทําของเราอ่ะนะนั่งสร้างจังหวะมันง่วงว่ะทําให้มันเร็วขึ้นเดินมันยังง่วงอยู่ก็เดินให้มันเร็วขึ้นเดินหน้าก็ง่วงก็เดินถอยหลังนะสมัยตะมาเคยฝึกที่วัดสนามในนะมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้ชายไอ้นี่มันมันง่วงมากมันฟุ้งซ่านมากมันวิ่งเลยวิ่งจงกรมเลย อยู่ในลานนั่นแหะเราบอกเฮ้ยทำไรทํำไรวิ่งจงกรมแต่เราคงไม่ต้องอ่ะนะพรุ่งนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีวิ่งจงกรมนะวิ่งรอบลานหินโค้งอันเนี่ยนะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคือเขาจะแก้อารมณ์นะแก้อารมณนะ์เรื่องความง่วงนะเรื่องความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยนะเป็นบทเรียนให้เรามาเรียนรู้ เราจะแข็งแรงได้เราจะต้องผ่านอุปสรรคเหล่านี้นะผ่านดุปสักค์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความคิดปรุงแต่งในแง่มุมต่างๆนะความกลัวนะความบางทีทําไปทําไปตัวมันเบามันซาบซ่านมันเป็นปิติขึ้นมามันก็เป็นอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็รู้และผ่านอย่าไปจมอยู่กับอารมณ์ อารมณ์ดีก็ไม่เอาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เอาคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาผ่านผ่านเหมือนเมื่อวานที่เราฟังหลวงพ่อคำเกี่ยนนั่นพูดเนี่ยผ่านอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปวิเคราะห์แยกแยะว่ามันคิดอะไรมันมาจากไหนมันจะจบสิไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปวิเคราะห์อย่างนั้นนะขอให้กลับมารู้สึกตัวแล้วผ่านผ่านไปเรื่อยๆมันจะเป็นประสบาการณ์นะเป็นประสบาการณ์ตรงนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะเห็นว่า อ๋อมันผ่านมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วที่สุดมันจะไปถึงไหนใจปกติมันจะคืนสู่ความเป็นปกติซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตใจทุกคนที่เราเป็นบ้าเป็นบอกันเป็นโลกประสาทเนี่ยเพราเรากลับมาสู่ความเป็นปกติไม่ได้เราคุ้นคิดเราวิตกกังวลในเรื่องต่างๆในวันนี้มีคนไปถามว่าเออแล้วจะกลับกันยังไงอะไรผมนีงต้องสองวันนะยังจะไปถามกันอยู่อีก จะกลับรถยังไงนะยังวิตกกังวลอีกนะตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยความคิดเนี่ยมันจะหลอกเราหลอกเราให้เดินออกจากลานจงกรมหลอกเราให้ไปเดินบนลานหินโค้งนะวันนี้มีอยู่หลายคนนะไปเดินบนอยู่แล้วนะ่ะนะหลายหลายรอบนะจริงจริงเดินบนมันก็สบายดีนะมันเพลินแต่ความรู้สึกตัวมันจะไม่ค่อยชัดลนะ พอพอคลายได้แล้วก็กลับเข้าฐานเดิมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือไม่เพลิเกินไปไม่เพ่งเกินไ ป, ไนไปตรงนี้ต้องดูเอาเองสังเกตเอาเองถ้ามันหนักก็คลายออกถ้ามันเพลินก็เน้นเข้ามานะตรงเนี้ยให้มันพอเหมาะพอดีความพอเหมาะพอดีอยู่ตรงไหนก็คือเราเดินได้เรื่อยๆใจเราปกติได้เรื่อยๆความคิดมันแวบแวมาเราก็ไม่ตามมัน กลับมารู้สึกตัวทําได้เรื่อยๆมันปวดมันเมื่อยก็รู้นะก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขไปนะตามที่เห็นสมควรนะหรืออย่างที่ท่านอาจารย์ให้ให้เราลองเดินสักชั่วโมงสิจะเป็นอย่างไงเ อ, อเดินสักสองชั่วโมงนั่งสักหนึ่งชั่วโมงไม่กระดุกกระดิกคําว่าไม่กระดุกกระดิกในที่คือไม่เปลี่ยนท่านะวันนี้มีคนหนึ่งฟังผิดคําว่าไม่กระดุกกระดิกคือไปนั่งหลับตานิ่งว่ะ ไม่ใช่หมายถึงยกมือเนี่ยแล้วเราไม่กระดุกกระดิกเลยนะตรงนี้เนี่ยมันจะให้เห็นจิตโอ้โหมันมันดิ้นนะ่ะโอ้โหมันปวด ม, มันดิ้นนะ่ะดิ้น แ, แล้วเราแล้วเรากลับมารู้สึกตัวได้ไหมอันนี้เป็น <c oughs> เป็นข้อสอบให้เราได้ทดลองนะเพื่อที่จะเห็นปฏิกิริยาของกายกระใจที่มันเกิดขึ้นแล้วเราวางใจได้ไหมเรากลับมารู้สึกตัวได้ไหมนะตรงเนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้น ธรรมะเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องตัวหนังสือไม่ใช่เรื่องพระไตรปิฎกเลยเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะนั้นการเห็นธรรมะเนี่ยไม่ได้เห็นสีเห็นแสงเห็นเทวดาเห็นลูกแก้วเห็นพระพุทธรูปนั่นไม่ใช่อันนั้นจินตนาการเป็นมายาภาพหมดเลยแต่เนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันหงุดหงิดมันเบื่อมัน มีความสุขมันมีปิตินามันอิ่มเอิบมันใจปกติเนี่ยอาการเหล่านี้คือธรรมะเขามาแสดงให้เราดูเรามีหน้าที่ดูอยากเข้าไปแล้วใช้อะไรดูความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวในบรตาที่สเขาเรียกตาในหลวงพุทธคำเขียนใช้คำว่าตาวิเศษทุกคนเนี่ยมีทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะปลุกให้มันเกิดเกิดขึ้นหรือไม่ให้มัน ลืมขึ้นมาหรือไม่นะวันนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วนะ่ะเขาเรียกว่าจิตพุทธะตื่นรู้เบิกบานทุกคนมีพุทธเจ้าอยู่ในตัวแต่เราจะปลุกให้ตื่นหรือไม่ไม่ต้องไปปลุกเสกพระหรอกตัวเราเนี่ยมีพระดีมีพระศักดิ์สิทธิ์วันนั้นมีโยมอยู่คนหนึ่งถามอ๋อหลวงพ่อมีพระพระพระพระพระทักษงไหมเจ้าแม่คนที่บ้านวะ ในพวกเราน่ยมีอยู่คนบอกว่าไมีหลักโยมในตัวโยมมันมีถ้าเขาอยากได้นะให้มาที่วัดเนี่ยนะเดี๋ยวจะบอกให้มันอยู่ตรงไหนอยู่ในใจเรานี่แหละความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นพุท ธ, ธะนะที่เขปลุกเสกพระกันเนี่ยอั้มันของนอกปลุกเสกตัวเองนี่ปลุกความรู้สึกตัวให้มันตื่นนี่แหละปลุกพระจริงๆปลุกพระแท้แล้วมันจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเห็น สิ่งต่างๆธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราไปกระทบกับโลกกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ต, ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตรงนี้จะทําให้เราสามารถมีชีวิตที่เป็นปกติมีชีวิตที่พอเหมาะพอดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วเราจะได้สัมผัสกับความเป็นตัวตนซึ่งเป็นสุขที่ประณีต นะเป็นสุขที่มีอยู่แล้วในทุกคนเป็นชีวิตชีวาของเรานะไม่ใช่เป็นความจูวชืดนะเป็นชีวิตชีวาของเราแต่ก็ยังว่าลนะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่คุ้นกับไอความรู้สึกนี้นะก็จะรู้สึกเหมือนะที่ตะกี้นี้เราเราทําวัดเนี่ยเขาบอกนิพพานเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากไอเนี่ยคาเนี้ยอาตมาฟังแเออมันจริงเนาะ น้มันปกติปกติมันธรรมดาธรรมดามันเฉยเยอย่างเงี้ยนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบหรอกเขชอบมันสุกๆอ่ะให้มันสุกสุดๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะให้เราสังเกตนะมันมีอยู่ในทุกคนแล้วที่เราทำเนี่ยเพื่อไปถึงตรงนั้นเพื่อไปสัมผัสตรงนั้นแล้วก็ให้มันรู้เท่าทันนะเพราะฉะนั้นการมาเจริญสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เราเนี่ย ได้เรียนรู้กายใจของเราคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ทําได้ทุกเวลาเป็นอากาลิโกนะทำทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในรูปแบบก็เราสร้างจังหวะเดินจงกรมนี่แหละนอกรูปแบบก็คือเราลงไปข้างล่างเลยนะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยสังเกตนะคนมีสติคนไม่มีสติเห็นชัดเลยคนมีสติเนี่ยเขาจะ เปิดประตูเบาๆปิดเบาๆนะคนไม่มีสติพังปังพงปั ง, ป ง, ปงเลยเราดูรู้เลยหรือเดี๋ยวพอแยกย้ายปุ๊บคุยกันเลยนี่ไม่มีสติแล้วถ้าคนมีสติเขาจะค่อยๆไปเดินตดวคนเดียวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตจุดออนนะพอเราออกจากฐานการฝึกแล้วเราจะทันทีเลยทำตามความเคยชินนะหรืกินข้าวตักข้าวเนี่ยเห็นชัดเจนเลย คนนี้มีสติน้อยโดยไม่มีสติกงเกงกงแกงกงแก ง, ง, ง, ง, งนะแต่คุณมีสติจะสังเกตเขาจะเงียบนิ่งค่อยๆกินไปเรื่อยเคี้ยวละเอียดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวสุขภาพด้วยต่อร่างกายด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะสังเกตได้เพราะนั้นเราอย่าเพียงแค่รู้สึกตัวในรูปแบบให้เราทำนอกรูปแบบ ใส่เจตนาที่จะรู้สึกตัวในการเดินในการกินในการลิ่มรถในการทำกิจกรรมต่างๆล้างหน้าแปรงฟันนอนให้มีความรู้สึกตัวนะตรงนี้มันจะทำให้ความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่องเพราะางันความรู้สึกตัวนี้มันจะเกิดผลน่าจะต้องทาให้ต่อเนื่องนะถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำใหอ้อ่ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันมั น, มน มันไม่เกิดหรือมันเกิดแต่เกิดน้อยนะมันก็จะมีผลน้อยตัวผมด้วยตรมมาเองก็ประมาทแต่ก่อนนีไปฝึกแล้วบางทีก็ขาดช่วงบางอลังบ้างบางทีไปทํางานนะนะเราก็หลงหลงลืม ล, มลืมไปบ้างตอนหลังก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ว่าตั้งอติกาตัวเองเลยก่อนนอนตื่นนอนเดินจงกรมสร้างจังหวะสิบนาทีสิบ้านาทียี่สิบนาทีแล้วแต่นะจัดเวลาให้มันเลยบังคับเลย ไม่ต้องบอกแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสมันไม่ได้ทำหรอกนะแล้วพอไปใช้ชีวิตประจําวันก็พยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปในกิ จ, กจวัตรประจําวันตรงนี้มันจะทําให้เกิดการต่อเนื่องแล้วผลมันจะเกิดขึ้นหลังก็เทียนมันผูดไว้ชัดนะถ้าใครทําความรู้สึกตัวต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ภายในสามปีทุกน้อยลงอย่างช้านะอย่างเร็ว ไม่ใช่อย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันนะถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่เกิดผลได้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อจ่ายให้เ <c oughs> ท่าทิรู้ไม่มีใครได้เงินหลวงพ่อเทียนเลยนะเพราะว่าอะไรมันมีคนจริงอ่ะไปฝึกแล้วมันได้ผลและมีอีกประเภทนึงไม่จริงอ่ะไปทำอ่ออ่แอ่ A A A A, ไม่เอาจริงอ่นะถอยซะก่อน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ตังค์หลวงพ่อเทียนนะ เพราะตรงนี้เป็นสิ่งท้าทายนะเป็นสิ่งท้าทายที่เราน่าจะพิสูจน์กันดูไหนๆมาที่นี่แล้วอย่าใช้เวลาไปในเรื่องอื่นเลยเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องสันทนาการเนี่ยทิ้งให้หมดเลยเล่นเรื่องนี้เรื่องเดียวลุยกันจริงๆสมัยหลวงพ่อเทียนนั่นมีคำคำหนึ่งที่อจะมาจําได้แม่นเป็นหลังในการปฏิบัตินะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อย ทำให้มากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำไม่มากนะตรงเนี้ยมันจะเกิดผลแล้วตัวสรรมะเองก็ไปี่สูจเออมันเกิดผลจริงๆภายไปในสี่้าวันเนี่ยเรารูรูปนามเลยสมัยไปบวชเมื่อปีสองห้าที่วัดมู่แล้วตรงนั้นเน่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มออคลาเข้าไปอ๋อมันเส้นทางนี้นาอไปตรงเนี้ยได้เรื่อยเรืแต่ตอนนั้น ยังให้ความสำคัญกับเรื่องทำงานอยู่ก็เลยทำบ้างขาดช่วงบ้างอะไรบ้างนะพอมาถึงระยะหลังนี่แหละเริ่มเอ้ชีวิตเรามันจะอยู่อีกสักกี่ปีนะก็เลยอ่ะพอสมควรกับเวลาแล้วทำงานให้กับโลกสามสิบปีพอแล้วนะกินบำนาญเอานะแล้วก็มาบวชนะเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้มันต่อนเนื่องจริงๆแล้วบวชมาพรรษาเกือบจะสองพรรษากว่านี่นะ ระยะหนึ่งปีเนี่ยคุ้มมากคิดไม่ผิดละนะแล้วก็คิดว่าจะเรียนรู้เรื่อยไปนะยังไม่ถึงที่สุดแต่เห็นเห็นเป้าหมายแล้วเห็นทางละที่เราจะทำนะแล้วมีความเชื่อมั่นว่ามันมีจริงความไม่ทุกเนี่ยที่แสดแงทุกมันมีจริงนะและเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเอาไว้หลวงพ่อคำเกียรติพูดเอาไว้ย้อนไปถึงสมัยครั้งพุทธการพระพุทเจ้าก็พูดเอาไว้แต่ก่อนเราไม่เคยเชื่อหรอก เรายังไม่มีศรัทธาพอศรัทธานิดๆหน่อยๆก็ก็ทําไปบ้างอะไรไปบ้างแต่เดี๋ยวนี้มีความเชื่อมั่นศรัทธาว่ามันมีจริงเป็นสิ่งที่ทําได้แม้ว่าเราจะยังไม่ถึงที่สุดนั้นแต่ก็เห็นช่องทางแล้วเห็นทางไปก็เดินไปเรื่อยๆนะด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละอันนี้อันเดียวสู่สำเร็จอึดใจเดียวนะซึ่งจาย์ทรงศิลป์ก็ได้พยายามเอาคําตรงเนี้ยมาใช้ว่า ใจมีสติอยู่กับกายเห็นไหมผลลัพธ์ก็คือปกติปกติก็คือใจปกตินั่นเองทําอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดผลเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เนี่ยอย่าไปเสียเวลาเรื่องอื่นไปเสียเวลานั่งหลับตาไปเสียเวลาสงสัยลังเลว่าให้มันจะจริงหรือไม่จริงอะไรเนี่ยนะชาละเดี๋ยวนี้มันทําอะไรต้องเร็วขึ้นยุคไฮเทคยุคที่มันจะต้องรวดเร็วขึว้น แล้วเราไม่ต้องมานั่งหลับตาลืมตาเพราะว่าชีวิตจริงๆเราต้องเคลื่อนไหวใช่ไนหะ <c oughs> เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับยุคปัจจุบันไม่ต้องหลับตาลืมตาเพดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่าไทายคนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะพวกเรานะที่มาอยู่กันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็นโยมมาอยู่วัดป่าสุขโตแล้วให้ได้ประโยชน์ตรงนี้ มาอยู่เปล่ามาอยู่เปล่ า, ล า, า, ล า, ลาแล้วน่าเสียดายตัวธรรมานะรู้สึกว่ามาอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เรียนเรื่องดีนะน่าเสียดายมากเพราะมันมีอยู่มันมีรูปแบบอยู่ไม่ต้องไปคิดใหม่ครูบาอาจารย์ท่านนำเสนออยู่แล้วเอาตัวเอากายเอาใจลงไปลุยเลยนะพิสูจน์กันดูชีวิตนี้เนะี่ยเราไม่รู้นะ่ะ พวกนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนกันใช่ไหมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังอยู่อีกอกี่ปีก็ว่าไม่แน่นะชีวิตมันไม่แน่เพราะฉะนั้นพอได้ยินได้ฟังแล้วเอ๊มันเป็นไปละลุยเลยอย่าไปเห็นแค่การกินการนอนความสบายลุยเลยจะลําบากหน่อยจะทุกข์จะหนักไม่เป็นไรชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเกิดมาเนี่ยนะเรื่องเนี้ย อันนี้อันนี้ความคิดของอาตมานะทีนจะนเสนอนะเรื่องนี้ขอทำเป็นงานชิ้นเอกของตัวเองก่อนตายขอทำเรื่องนี้นะซึ่งซึ่งตัวนี้มันท้าทายนะเป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์น่าจะทำได้เนาะอ่ะก็คิดว่าพูดมาไม่รู้พร่ำเพ้อไปหรือเปล่านะวันนี้รู้สึกจะพูดมากเกินไปนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะก็สรุปนิดหนึงว่าสำหรับคนใหม่นะให้รู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะไปมันเองนะความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านผ่านกลับมารู้สึกตัวนะตรงเนี้ให้ได้บ่อยๆทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะตรงเนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญเลยที่เราจะใช้ได้ นะอะรในท้ายที่สุดนี้ก็อ้างอิงเอาคุณของพระรัตนตรัยนะพระศรีรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือจิตที่รู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่แล้วในทุกคนพระธรรมก็คือเสชาธรรมความจริงที่ปรากฏให้เราได้เห็นนะโดยเฉพาะจิตใจที่เป็นปกติพระสงฆ์ก็คือ การประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคนที่มาเจริญสติกันจะสามวันเจ็ดวันห้าวันหรือหลายเดือนก็ตามนะเป็นสิ่งที่ขอให้เราทำให้มันต่อเนื่องด้วยความเพียรพยายามนะด้วยสิ่งเหล่านี้นะก็ขอให้เป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมนะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงหนาะที่สุดแห่งทุกนะก็คือใจเป็นปกติ ที่มีอยู่แล้วในทุกๆคนโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเถินเจริญพร